พระบัญญัติ951ก็ภิกษุณีใดให้ที่พักแก่ภิกษุณีแล้วโกรธไม่พอใจชุดลากออกไปหรือใช้ให้ชุดลากออกไปต้องอบัตตาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุนลนันธาจบ